ภาวะแห่งนิพพานเมื่อสังสารวัฏหายไปก็กลายเป็นวิวัตขึ้นเองทันทีคำว่าสังสารวัฏและวิวัตนำมาใช้ในที่นี้ตามนิยมแห่งวิวัฒนาการของภาษาไม่ใช่คำจำเพาะที่ใช้มาแต่เดิมสังสารวัฏนิบาลีนิยมใช้เพียงสังสารหรือวัตตะ คำใดคำหนึ่งต่อมาในบาลีรุ่นรองจึงใช้ควบกันส่วนวิวัตในบาลีทั่วไปไม่นิยมใช้ในความหมายนี้เว้นแต่ในปฏิสัมพิธามักต่อมาในคำพีรุ่นอัธกถาและดีกาจึงนิยมใช้กันดื่นขึ้นเมื่อสังสารวัฏหายไปก็กลายเป็นวิวัฒ ขึ้นเองทันทีเป็นของเสร็จพร้อมอยู่ในตัวไม่ต้องเดินทางออกจากสังสารวัตที่แห่งหนึ่งไปสวิวัตรอีกแห่งหนึ่งเว้นแต่จะเป็นการพูดในเชิงภาพพจน์หรืออุปมาเมื่ออวิชชาตันหาอุปาทานดับไปนิพพานก็ปรากฏแทนที่พร้อมกันจะพูดให้มั่นเข้าอีกก็ว่าการดับอวิชชาตัหาอุปาทานนั่นแหละคือนิพพาน ตามปกติของปุถุชนอวิชชาตันหาอุปาทานยอมคอยครอบงำเคลือบแฝงจิตใจกำบังปัญญาและเป็นตัวชักใหญ่นำเอากิเลสต่างๆให้ไหลเข้ามาสู่จิตใจทำใจให้ไหวให้วุ่นให้ขุนให้มัวให้ฝ้ามองทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆไม่ชัดบ้างให้บิดเบือนไปเสียบ้างตลอดจนทวงดึงเหนียวรังไว้ ให้วนเวียนติดตังข้องขัดและคับแคบอยู่กับเครื่องผูกมัดน่วงเหนียวชนิดต่างๆเมื่ออวิชาตัญหาอุปาทานนั้นดับหายไปแล้วก็เกิดปัญญาเป็นวิชาสว่างแจ้งขึ้นมองเห็นสิ่งทั้งหลายกล่าวคือโลกและชีวิตถูกต้องชัดเจนตามที่มันเป็นของมันไม่ใช่ตามที่อยากให้มันเป็นหรือตามอิทธิพลของสิ่งเคลือบแฝงกาบัง การมองเห็นการรับรู้ต่อโลกและชีวิตก็จะเปลี่ยนไปความรู้สึกและท่าทีต่อสิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนไปอย่างผลให้บุคลิกภาพเปลี่ยนไปด้วยสิ่งที่ปรากฏอยู่แต่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นหรือแม้แต่นึกถึงเพราะถูกปิดกั้นคลุมบังเงาไว้หรือเพราะมัวสารวนเพลินอยู่กับสิ่งอื่นก็ได้รู้ได้เห็นขึ้นเกิดเป็นความรู้เห็นใหม่ จิตใจเปิดเผยกว้างขวางไม่มีประมาณโร่งโล่งเป็นอิสระเป็นภาวะที่แจ่มใสสะอาดสว่างสงบละเอียดอ่อนปราณีตลึกซึง้งซึ่งผู้ยังมีอวิชชาตันหาอุปาทานครอบงาใจอยู่อย่างที่เรียกกันว่าปุถุชนนึกไม่เห็นคิดไม่เข้าใจแต่เข้าถึงเมื่อใดก็รู้เห็นประจักษ์แจ้งเองเมื่อนั้นดังคุณนบด คือคำแสดงคุณลักษณะของนิพพานว่านิพพานอันผู้บรรลุเห็นได้เองไม่ขึ้นกับการเรียกให้มาดูได้ควร น, น้อมเอาเข้ามาไว้อันวินยูชนเพิ่งรู้เฉพาะตนเพิ่งสังเกตว่าคุณบททั้งห้าอย่างของนิพพานตรงกับคุณบทหข้อท้ายของพระธรรม ทั้งนี้สอดคล้องกับความที่ท่านอธิบายกันมาว่าคุณบทข้อที่หนึ่งของพระธรรมคือสวาขาโตคือคุณลักษณะของพระธรรมส่วนที่เป็นคำสั่งสอนที่ต่อมาเรียกว่าปริยติธรรมคือธรรมะอันพึงเล่าเรียนคุณบทที่สองถึง6คือสันทิทโกถึงปัจจัตังเวทิตพโภวินยุหิเป็นคุณลักษณะของโลกุตรธรรมโดยเฉพาะ การที่ปุถุชนไม่สามารถนึกเห็นไม่อาจคิดให้เข้าใจภาวะนิพพานได้นั้นเพราะธรรมดาของมนุษย์ไม่ยังไม่รู้เห็นประจักษ์เองซึ่งสิ่งใดก็เรียนรู้สิ่งนั้นด้วยอาศัยความรู้เก่าเป็นพื้นเทียบคือเอาสัญญาที่มีอยู่แล้วมากำหนดแล้ววาดภาพขึ้นใหม่จากสัญญาต่างๆที่เอามากาหนดเทียบนั้นได้ภาพตามสัญญาที่เป็นองค์ประกอบเหมือนอย่างคนไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักช้างเลย ไม่มีใครพูดขึ้นแก่เขาว่าช้างเขาจะไม่รู้ไม่เข้าใจนึกอะไรไม่ได้เลยอาจจะกำหนดไปตามอาการกิริยาเป็นต้นของผู้พูดแล้วอาจจะนึกว่าผู้พูดกล่าวพรุษสวานแก่เขาหรืออาจจะนึกไปว่าผู้พูดกล่าวคำภาษาต่างประเทศคาหนึ่งหรืออาจจะนึกว่าผู้พูดเสียสติจึงกล่าวคำไร้ความหมายออกมา หรือนึกคิดอะไรต่างๆไปได้มากมายแล้วแต่สถานการณ์แต่ถ้าผู้พูดกล่าวว่าฉันเห็นช้างผู้ฟังนั้นจะมีความเข้าใจขึ้นหน่อยหนึ่งว่าช้างเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่เห็นได้ด้วยตาถ้าผู้พูดอธิบายต่อไปว่าช้างเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเขาก็เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งโดยอาจจะนึกไปถึงสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าสัตว์ ไม่จากัดชนิดและขนาดตั้งแต่มดถึงไดโนเสาร์ตั้งแต่ปลากัดถึงปลาวานตั้งแต่ยุงถึงนกอินทรีเมื่อผู้พูดกล่าวต่อไปว่าช้างเป็นสัตว์บกเขาก็เข้าใจชัดขึ้นอีกหน่อยหนึ่งรันบอกว่าช้างเป็นสัตว์ตัวโตมากเขาก็เห็นภาพจำกัดชัดเข้าอีกจากนั้นผู้พูดก็อาจบรรยายลักษณะของช้าง เช่นใบหูโตตาเล็กมีงาสองข้างมีจมูกยาวเป็นงวงเป็นต้นผู้ฟังก็จะได้ภาพจำเพาะที่ชัดเจนในใจของเขามากขึ้นภาพนั้นอาจใกล้ของจริงก็ได้หรือห่างไกลไปมากมายชนิดที่ว่าดให้เขาวาดภาพที่เขาเห็นในใจเวลานั้นออกมาเป็นรูปวาดบนแผ่นกระดาษเราอาจได้รูปสัตว์ประหลาดเพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่งสําหรับนิยายโบราณเรื่องใหม่ก็ได้เราผู้มีรู้ไม่เห็นจริงนี่แหละ มักใช้สัญญาต่างๆสร้างภาพได้วิจิตพิสดาร น, นักทั้งนี้ภาพในใจของเขาจะเป็นอย่างไรย่อมขึ้นต่อความแม่นยำของสัญญาเกี่ยวกับลักษณะาอาการต่างๆที่ผู้เล่ายกขึ้นมาพูดฝ่ายหนึ่งและสัญญาที่ผู้ฟังเอามาประสานเป็นองค์ประกอบสร้างสัญญาใหม่อีกฝ่ายหนึ่งจะเห็นว่าคําว่าเห็นก็ดีสัตว์ก็ดีบกตัวโตเป็นต้นก็ดี ล้วนเป็นสัญญาที่ผู้ฟังมีอยู่แล้วทั้งสิ้นแต่ในกรณีที่สิ่งที่นำมาบอกเล่าแตกต่างไปจากสิ่งที่ผู้ฟังเคยรู้เห็นมีสัญญาอยู่ก่อนแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีลักษณะาอาการใดที่จะเทียบกันได้เลยผู้ฟังจะไม่มีทางนึกเห็นหรือเข้าใจได้ด้วยประการใดทั้งสิ้นเมื่อมีการสอบถามเทียบเคียงขึ้นคือผู้ฟังขอนาเอาสัญญาของตนออกมาต่อความรู้ใหม่ ก็จะทำได้อย่างเดียวคือปฏิเสธหรือถ้าผู้เล่าขืนพยายามจะชี้แจงด้วยสัญญาที่ผู้ฟังพอจะเอามาเทียบได้บ้างก็เสี่ยงอันตรายอย่างมากต่อการที่ผู้ฟังจะสร้างสัญญาผิดๆต่อสิ่งที่นำมาเล่านั้นถ้าผู้ฟังไม่สร้างสัญญาผิดก็อาจไปสู่สุดทางอีกข้างหนึ่งคือปฏิเสธคำบอกของผู้เล่าโดยกล่าวหาว่าผู้เล่ากล่าวเท็จหลอกลวง สิ่งที่นำมาเล่านั้นไม่มีจริงแต่การที่ผู้ฟังจะปฏิเสธโดยกล่าวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีจริงเพียงเพราะเหตุที่ตนไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักไม่เหมือนกับสิ่งที่ตนเคยรู้จักและตนเองไม่อาจนึกเห็นหรือเข้าใจย่อมไม่เป็นการถูกต้องนิพพานเป็นภาวะที่พ้นจากสภาพทั้งหลายที่ปุทุชนรู้จัก นอกเหนือออกไปจากการรับรู้ที่ถูกอวิชชาตัญหาอุปาทานครอบงำเป็นภาวะที่เข้าถึงทันทีพร้อมกับการละกิเลสที่เคลือบคลุมใจหรือพ้นจากภาวะลักษณะต่างๆที่เป็นวิสัยของปุตุชนเหมือนเลื่อนฉากออกก็มองเห็นทองฟ้านิพพานไม่มีลักษณะาอาการเหมือนสิ่งใดที่ปุตุชนเคยรู้เคยเห็น ปุตุชนจึงไม่อาจนึกเห็นหรือคิดเข้าใจได้แต่จะว่านิพพานไม่มีก็ไม่ถูกมีผู้กล่าวอุปมาบางอย่างไว้เพื่อให้ปุตุชนพอสํานึกได้ว่าสิ่งที่ตนนึกไม่เห็นคิดไม่เข้าใจไม่จําเป็นต้องไม่มีข้อเปรียบเทียบที่น่าฟังเรื่องหนึ่งคือเรื่องปลาไม่รู้จักบกมีความย่อของนิทานว่า ปลากับเต่าเป็นเพื่อนสนิทกันปลาอยู่แต่ในน้ำรู้จักแต่เรื่องราวความเป็นไปในน้ำเต่าเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกรู้จักทั้งบกทั้งน้ำวันหนึ่งเต่าไปเที่ยวบกมาแล้วลงในน้ำพบปลาก็เล่าให้ปลาฟังถึงความสดชื่นที่ได้ไปเดินเที่ยวบนผืนดินแห้งในท้องทุ่งโล่งที่ลมพัด ช, ชิวปลาฟังไปได้สักหน่อยไม่เข้าใจเลย อะไรกันนะที่ว่าเดินอะไรกันพื้นดินแห้งอะไรกันทุ่งโลง่งอะไรกันลมพัดฉิวแม้แต่ความสดชื่นอย่างนั้นปลาก็ไม่รู้จักความสุขโดยปราศจากน้ำจะเป็นไปได้อย่างไรมีแต่จะตายแน่ๆปลาทนไม่ได้จึงขาดขึ้นและซักถามหาความเข้าใจ เต่าเล่าและอธิบายด้วยสับบกปลาสักถามด้วยสับน้ำเต่าก็ได้แต่ปฏิเสธปลาจะให้เต่าอธิบายด้วยสับน้ำแต่ก็อธิบายไม่ได้เพราะไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบในที่สุดปลาก็ลงข้อสรุปว่าเต่าโกหกเรื่องที่เล่าไม่จริงทั้งสิน้นเดินก็ไม่มีพื้นดินแห้งก็ไม่มีทุ่งโลงก็ไม่มี ลมพัดชิวต้องตัวและสดชื่นก็ไม่มีตามเรื่องนี้ความจริงปลาเป็นฝ่ายผิดสิ่งที่เต่าเล่ามีอยู่จริงแต่พ้นวิสัยแห่งความรู้ของปลาเพราะปลายังไม่เคยขึ้นไปอยู่บกจึงไม่อาจเข้าใจได้ข้อเทียบอีกอย่างหนึ่ง คือความรู้ทางอายตนะที่ต่างกันธรรมดาว่าความรู้ทางอายตนะคนละอย่างย่อมมีลักษณะาอาการที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่อาจเทียบกันได้รูปกับเสียงไม่มีอะไรเทียบกันได้เสียงกับกลิ่นไม่มีอะไรเทียบกันได้ดังนี้เป็นต้นสมมุติว่าคนหนึ่งตาบอดมาแต่กาเนิดไม่เคยมีสัญญาเกี่ยวกับรูป ย่อมไม่มีใครสามารถไปอธิบายสีเขียวสีแดงสีส้มสีชมพูหรือลักษณะาอาการต่างๆของรูปให้เขาเข้าใจได้ด้วยความรู้จากสัญญาที่เขามีทางอาญตนะอื่นๆไม่ว่าจะอธิบายว่ารูปนั้นดังเบาทุม้มแหลมเหม็นหอมเปรี้ยวหวานอย่างไรหรือถ้าใครไม่มีราสาจมูกมาแต่เกิดใครจะอธิบายให้เขาเข้าใจเหม็นหอม กลิ่นกุหลาบกลิ่นส้มกลิ่นมะลิได้อย่างไรเพราะคงต้องปฏิเสธเขียวเหลืองแดงน้ำเงินหนักเบาอ้วนผอมดังเบาขมเข็มเป็นต้นที่เขาใช้ซักถามทั้งหมดยิ่งกว่านั้นมนุษย์มีอายตนะขั้นต้นสำหรับรับรู้ลักษณะาอาการต่างๆของโลกที่เรียกว่าอารมณ์เพียงห้าอย่างถ้ามีแง่ของความรู้ที่นอกเหนือจากนั้นไป มนุษย์ย่อมไม่อาจรู้และแม้แต่ห้าอย่างที่รู้ก็รู้ไปตามลักษณะอาการด้านต่างๆเท่านั้นการไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นหรือนึกไม่เห็นคิดไม่เข้าใจของมนุษย์เพียงอย่างเดียวจึงยังไม่ใช่เครื่องชี้ขาดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ก่อนที่จะทรงประกาศธรรมได้ทรงมีพุทธดาริว่า ธรรมะที่เราเข้าถึงแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นยากอย่างรู้ตามยากสงบประณีตตักกะยังไม่ถึงคือไม่อยู่ในวิสัยของตักกะละเอียดอ่อนเป็นวิสัยที่บัณฑิตจะพึงทราบและมีข้อความเป็นคถาต่อไปว่าธรรมะเรารู้ถึงโดยยากเวลานี้ไม่ควรประกาศธรรมะนี้ ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์ผู้ถูกราคะโทสะครอบงำจะรู้เข้าใจได้ง่ายสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกราคะย้อมไว้ถูกกองความมืดคืออวิชชาห่อหุ้มจักไม่เห็นภาวะที่ทวนกระแสละเอียดอ่อนลึกซึ้งเห็นยากละเอียดยิ่งนักคำว่าธรรมหรือธรรมะในที่นี้หมายถึงปฏิจจสมุป บ, บาทและนิพพานหรือจะว่าอริยสัจสี ก็ได้ใจความเท่ากันแต่ถึงแม้จะยากอย่างนี้ก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงพยายามสั่งสอนชี้แจงอธิบายอย่างมากมายดังนั้นคำว่านิพพานเป็นสิ่งที่ปุถุชนนึกไม่เห็นคิดไม่เข้าใจจึงควรมุ่งให้เป็นคําเตือนที่มากกว่าคือเตือนว่าไม่ควรเอาแต่คิด สร้างภาพและถกเถียงชักเหตุผลมาแสดงกันอยู่จะเป็นเหตุให้สร้างสัญญาผิดผิดขึ้นมาใช่เปล่าทางที่ดีหรือทางที่ถูกควรจะลงมือปฏิบัติให้เข้าถึงเพื่อรู้เห็นประจักษ์ชัดกับตนเองเราถึงแม้ว่านิพานนั้นเมื่ อ, อยังไม่รู้ไม่เห็นก็นึกไม่เห็นคิดไม่เข้าใจแต่เป็นสิ่งที่รู้ได้เห็นได้เข้าถึงได้เพียงแต่ว่ายากเท่านั้น เมื่อตกลงกันได้เช่นนี้แล้วก็อาจเปลี่ยนข้อความจากที่นิยมพูดกันว่านึกไม่เห็นคิดไม่เข้าใจหรือที่บางท่านถึงกับว่าพูดไม่ได้บรรยายไม่ได้มาใช้ตามพุทธพจนี้ว่าเห็นได้ยากอย่างรู้ตามได้ยาก